มีสองอย่างแหละที่เรียนธรรมะยากอั น, นึ่ติดเพง่งอันหนึ่งคิดมากครบทีมพอดี <c oughs> ติดเพ่งมันคือการเข้าไปแทรกแซงแทรกแซงความเป็นจริงอย่างจิตใจเราโดยธรรมชาติเรากระทบอารมณ์ล้วก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างเพ่งแล้วมันก็ไม่กระทบกระทบแล้วก็เฉยเฉยเปการเข้าไปบังคับไปแทรกแซง พรคิดมากอันนี้เป็นความเคยชินคิดว่าวิธีที่จะเรียนรู้สัจจะจะต้องคิดเอาไม่รู้ว่าการเรียนรู้สัจจะที่แท้จริงคิดเอาไม่ได้เพราะความคิดมันปนเปื้อนปนเปื้อนด้วยความเชื่อเก่าๆของตัวเองขังตัวเองอยู่ในกรอบเก่าๆวิธีที่จะเข้าถึงสัจจะได้ก็ลืมตาตื่นขึ้นมา ดูความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเอาที่ผ่านมานั้นคนที่ศึกษาศา ส, สนาพุทธบางทีจุดแรกเลยเขคิดว่าต้องไปนั่งสมาธิที่จริงสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันมีความเชื่อว่าจิตนั้นมันดีอยู่แล้ว ก็พยายามกลับไปสู่สภาวะอันเดิมที่ดีทนี้ับไปสู่อัตามันแท้จริงแล้วจิตโดยตัวของมันเองนะสว่างผ่องใสมีความสุขโดยตัวของมันเองแต่มันไม่ฉลาดมันยังปนเปื้อนด้วยความปรุงแต่งต่างๆนี่บางคนก็คิดว่าท่าทำจิตให้นิ่งๆว่างๆ จิตก็สว่าง ส, สบายจิตที่สว่างยังใช้อะไรไม่ได้เพราะยังแปรปรวนได้อีกไปทำสมาธิจิตสว่างสบายโล่งมีความสุขออกจากสมาธิมาก็เสื่อมอีกก็ต้องไปทำสมาธิใหม่คล้ายๆคนติดยาเสพติดเท่านั้นเองไ่ติดไปเสพยากินยามีความสุขสบายอยู่ในโลก ของจินตนา ก, การมีความสุขหลุดไปจากโลกของความเป็นจริงแต่พอหมดฤทธยาก็กลับมาทุกข์อีกต้องมากินยาอีกในคนที่คิดว่าจะพ้นทุกข์ด้วยการนั่งสมาธิก็ เ, เหมือนคนติดยาเสพติดนะก็ต้องกินไปทั้งชาติถ้าไม่ได้กินแล้วคลุ้มคลั่งพวกที่ติดสมาธินะั้นถ้าไม่ได้นั่งสมาธิแจะเจ ง, งุนหงิดอยู่กับโลกไม่ได้ เจอใครก็รำคาญไปหมดเลยหงุดหงิดงั้นเราต้องมาฝึกตัวเองแทนที่จะไปฝึกจิตให้สงบสว่างซึ่งมันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงลองมาทำใจให้กว้างมาเปิดใจให้กว้างมาเรียนรู้สิ่งใหม่คนเราเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ได้ถ้าติดอยู่ในของเกา่าลองรู้นะลองเปลี่ยนจากการดัดแปลงจิต ให้สงบให้สว่างให้นิ่งต้องเปลี่ยนจากการบังคับให้มันนิ่งนะฝึกให้มันนิ่งมาดูการทํางานของมันอย่างแท้จริงมาเรียนรู้มันเลาจะทำตัวเป็นแค่ Observ ซเเป็นผู้สังเกตการแล้วเราจะดูความจริงของจิตใจเราไม่ได้ไปฝึกให้จิตนิ่งๆิ่งถ้าเรามาคอยดูความจริงของจิตใจแล้วเนี่ยถ้าวันใด ที่เราเห็นสภาวะของจิตใจได้จิตใจเราจะเข้าถึงความสุขความสงบอีกแบบหนึง่งแค่เรารู้ทันจิตใจที่ฟุ้งซ่านจิตใจก็สงบแล้วแค่เรารู้ทันจิตใจที่มืดมัวจิตใจก็สว่างแล้วมันง่ายขนาดนั้นไม่เห็นจะ ต, ต้องไปบังคับอะไรเลยแค่เราไม่เข้าไปปรุงแต่งมันมันก็สงบมันก็สว่างอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่เบื้องต้น รู้อย่างที่มันเป็นจิตใจก็สงบสว่างอย่างมันฟุ้งซ่านอยู่เรารู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้หายรู้อย่างที่มันเป็นความฟุ้งซ่านเป็นของที่ไม่คงที่แค่เรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางมันก็ดับจิตก็สงบเองจิตมีโมหะจิตมืดจิตมัวจิตจับสภาวะไม่ได้แค่เรารู้ว่าจิตมีโมหะจิตมืดจิตมัวจิตจับสภาวะไม่ได้ จิตก็สว่างแล้วโมหามดับอันนี้จิตใจเราก็มีความสุขอยู่เฉยๆนี่แหละลืมตาอยู่นี่แหละจิตเป็นสว่างสวยัยไม่ต้องไปสว่างตอนหลับตาหรอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตยัสว่างอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นจิต ท, ที่ทรงสมาธิจิตทรงสมาธิอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สมาธิที่ดัดแปลงจิต แต่ได้สมาธิขึ้นมาเพราะรู้ทันความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนี่ต่อไปถ้าเราดูบ่อยๆเราก็จะเห็นทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเราไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปเนี่ยพอใจมันยอมรับความจริงใจไม่ปฏิเสธไม่หลงรัก ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบไม่หลงรักสิ่งที่เคยชอบจิตที่เราพามันเรียนรู้ความจริงความปรุงแต่งนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ไปเรื่อยๆนี่ถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญามันไม่รักมันไม่เกลียดแต่มันเข้าสู่ความเป็นกลางจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางนั้นจะหมดความดิ้นรนโดยสิ้นเชิงจิตทุกวันนี้ที่ดิ้นรน อยู่อารมณ์ตลอดเวลาอยากได้โน้นอยากได้นี่มันไม่เป็นกลางมันชอบอันหนึ่งมันเกลียดอันหนึ่งมันชอบสิ่งใดมันก็เที่ยวดิ้นรนแสวงหาสิ่งนั้นมันเกลียดสิ่งใดมันก็ดิ้นรนเพื่อจะหนีจากสิ่งนั้นการดิ้นรนของจิตนั่นแหละนําความทุกข์มาให้นี่วิธีที่เราจะพัฒนาจนจิตพ้นจากความดิ้นรนเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกจิตให้นิ่งฝึกจิตให้นิ่งมันก็คือหลงรัก ความสงบเกลียดชังความฟุง้งซ่านยางติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่อยู่ถ้เรามาจเจริญสติมารู้จิตอย่างที่จิตเป็นจิตสุขก็รู้แล้วเราก็เห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้แล้วเราก็เห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตเราดีก็รู้จิตเราเกโกรธจิตเราโลภจิตเราหลง เรารู้แล้วเราก็าเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อจิตเห็นความจริงนะีว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเวลาความทุกข์หรือความเลวผ่านมาจิตไม่ได้ปฏิเสธเวลาความสุขหรือความดีผ่านมานะจิตไม่ได้ตะครุบเอาไว้ด้วยความรักใครห่หวงแหนจิตไม่ได้รักอันหนึ่งไม่ได้เกลียดอันหนึ่ง ทุกวันนี้ที่ดิ้นรนตลอดเวลาเพราะรักอย่างนี้จะเอาอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่ว ท, ท, ทั้งๆที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วมันเท่าเทียมกันด้วยความไม่คงที่ด้วยความไม่เที่ยงเมื่อไหร่จิตมีปัญญาแก่กล้าจิตยอมรับความจริงคําว่าจิตมีปัญญาก็คือจิตยอมรับความเป็นจริง ที่ว่าทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ <mus> ่านไปจิตจะคลายความทุกข์ออกไปเยอะเลยความทุกข so cool. ์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หิวโหยไม่ได้อยากได้ไม่ได้หวงแหนเพราะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความดีหรือความชั่วเกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้รักไม่ได้เกลียด จิตที่เป็นกลางก็หมดความดินน้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนเข้าสู่สันติสุขเพราะฉะนั้นการเข้าสู่สันติสุขของจิตเนี่ยไม่ใช่เข้าด้วยสมาธิทําสมาธิมีความสุขจริงแต่ว่าสุขอยู่ชั่วคราวในการที่เรามาเจริญปัญญาเห็นความจริงของจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจนจิตยอมรับความจริงแล้วจิตเข้าถึงสันติสุขเพราะฉลาดนะหมดความดินน้นรน สันติสุขตัวนี้คงที่อยู่นะมันไม่เหมือนนั่งสมาธิสงบอยู่ชั่วคราวสันติสุขของใจที่ฉลาดเต็มที่แล้วทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับไม่ต้องทำอะไรเลยจิตมีความสุขมีความสงบมีความสว่างสวัยนะเทียบกันไม่ติดหรอกกับความสุขของสมาธิ ความสุขของสมาธนะิเทียบกับความสุขของคนในโลกแล้วก็เหนือกว่ากันเยอะอย่างความสุขจากการได้กินได้ดูได้ฟังฟังเพลงกินของอร่อยดูสาวสาวสวยๆอะไรเงี้ยความสุขอย่างนั้นเทียบกับความสุขของสมาธิแล้วห่างไกลกันมากความสุขของสมาธิกับความสุขของจิตที่ทรงปัญญาจนปล่อยวางเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงก็ห่างไกลกันมากอีก ความสุขของสมาธิเป็นความสุขของคนหลงความสุขของผู้มีปัญญาเนี่ยเป็นความสุขของคนที่เข้าถึงสัจจะความจริงที่ว่าทุกสิ่งในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวจิตใจมันจะไม่หดหูนะไม่ท้อแท้หรอกที่ว่าตู้อย่างเป็นของชั่วคราวจิตมันคลายออกไปมันจะเห็นว่าอที่ว่าดีที่ว่าวิเศษที่น่ารั ก, น, รกน่าหวงแห่นเอาเข้าจริงไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยนะคุณภาพของจิตมันเปลี่ยน กรทั่งสมาธินะแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าภาวนาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นเลยสุขของสมาธินะี่เป็นสุขที่ปนเปื้อนเป็นสุขที่จิตยังติดอารมณ์อยู่เป็นสุขที่ไม่มีอิสรภาพที่แท้จริงชีวิตนี้ต้องพึ่งสมาธนะิแต่สุขที่เกิดจากปัญญาแล้วนะปล่อยวางได้แล้วนะไม่มีความปนเปื้อนใดๆเข้ามาสู่จิตใจได้เลยจิตใจนั้นจะสว่างไสวทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่ต้องรักษา จิตที่ทรงสมาธิต้องรักษาสมาธิเป็นของเสื่อมเมื่อนนถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานะมีแค่เรื่องนั่งสมาธินะยังห่างไกลคาว่าพุทธะมากพุทธะไม่ได้แปลว่าสมาธิพุทธะว่าผู้รู้รู้อะไรรู้สัจจะรู้ความจริงเป็นผู้ตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเป็นผู้เบิกบานอยู่ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องปลุงแต่งอะไร เพนถ้าคนไหนติดสมาธินะเปิดใจให้กว้างปรับจิตสมัยไม่ได้ฝึกจิตให้นิ่งแต่ว่ามาฝึกจิตให้รู้สึกตัวหลวงพ่อเองตั้งแต่เด็กทำมาธิยี่สิบสองปีเรื่องนั่งสมาธิให้สงบในเรื่องง่ายมากเลยหายใจทีเดียวก็สงบแนละ้วความสุขอย่างนี้ต้องมีเข้ามีออกอยากมีความสุขของสมาธิก็เข้าไป พอมันหลุดออกมาไม่มีความสุ่อีกแล้ะมันไม่มีความไม่เหมือนจิตที่ทรงปัญญานะมันรู้ความจริงของสิ่งท่าไหลายทั้งปวงแล้วมันไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งท่าไหลายทั้งปวงไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งมันเข้าถึงความสุขที่มันเสถียรกันเยอะเลยมัต่างกันมากเพราะนถ้าคนไหนติดในสมาธินะหลักของสมาธิที่ฝึกฝึกกันมันไม่มีอะไรหลักมันตื้นนิดเดียวเองคือมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่ง สมาธิทั้งหลายทั่วโลกมันก็มีอยู่แค่นั้นเองนะจิตเป็นหนึ่งนิ่งอยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีอารมณ์มันเดียวแล้วก็แนบกันอยู่เง อ, อยู่ด้วยกันนิ่งอยู่เงี้ยพอหลุดออกจากกันเมื่อไหร่จิตฟุ้งซ่านต่อนะก็ต้องเที่ยวดิ้นหาอารมณ์ใหม่จับได้แล้วก็อยู่ด้วยกันสบายอันนี้ตื้นมากเลยตื้นนะใช้อะไรไม่ได้จริงหรอกสมาธิอย่างนี้มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเข้าไม่มีการออก เป็นสมาธิที่จิตทรงตัวอยู่ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้เข้าไม่ได้ออกนะสมาธินนี้เกิดจากปัญญานะจิตตัวนี้มีความสุขมีความสุขรันมหาศาลนะมีความสงบอยู่ในตัวเองมีสันติภาพมีความเป็นอิสระมีเสรนะีอิสระคือไม่ได้ถูกอะไรปรุงแต่งไม่ได้ตกเป็นาธนาตกระทั่งสมาธิ อย่างเราต้องเป็นธาตุสมาธิหลุดจากสมาธิแล้วใจเราเสียฟุง้งซ่านงั้นถ้าติดสมาธิมาก็ไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรนะก็เทียบไปแล้วดีกว่าคนทั่วไปในโลกแต่มันมีของที่ดีกว่านั้นเปิดใจให้กว้างให้มาเราเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าเสียดายของเกา่าหลวงพ่อทาสมาธิีป่ปีหายใจไปไม่กี่ทีก็สว่างไปหมดลนะก็อยู่แค่นั้นตั้งหลายปี มาเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตตัวเอง้ดูจิตตัวเองแรกจริงก็ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขภานาไปเรื่อยๆนะพราะว่าจิตนั้นถูกขังอยู่พวกเราแต่ละคนเรานึกว่าเรามีอิสรภาพในความเป็นจริงไม่ได้มีอิสรภาพเลยจิตนี้ถูกขังอยู่ในที่แคบๆแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะหนีออกจากที่คุมขังเพราะไม่รู้ตัวว่าเป็นทาต เราเป็นาธาตโดยไม่รู้ว่าเป็นาธาสไม่มีทางปลดปล่อยตัวเองได้เลยเรามีเจ้านายลึกลับอยู่คนหนึ่งในใจเราเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรือความอยากมันจะสั่งงานเราทั้งวันนะให้อยากดูให้อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจพอมันสั่งเช่นสั่งให้เราไปหาของอร่อยกิน ถ้าเราตามใจมันเรารับคำสั่งมันเราไปหาของอร่อยกินมันจะโยนความสุขให้เราชิ้นหนึ่งเหมือนเราเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เล่นละครละครสัตว์อย่างสิงโตเจ้าของมันสั่งให้โดดรอดบ่วงไฟพอโดดได้ให้เนื้อชิ้นหนึ่งให้รางวัลตัณหานี้เหมือนกันความอยากนี้เหมือนกัน ความอยากนี้นะมันเป็นเจ้านายเรามันสั่งให้เราทำอะไรแล้วเราตอบสนองมันมันจะโยนความสุขเล็กๆให้เราแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองมันมันจะลงโทษใจเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากใจจะมีความทุกข์ขึ้นมางั้นคนแต่ละคนนะที่ว่าตัวเองดีตัวเองวิเศษตัวเองเก่งมองไม่เห็นเลยว่าวันวันหนึงนะ่งเนี่ยถูกความอยากสั่งงานมากขนาดไหนกระทั่งสั่งให้ไปนั่งสมาธินะ ถ้าไปได้ไปนั่งสมาธิจิตสงบได้มันก็ให้รางวัลให้ความสุขผลุดออกจากสมาธิมันลงโทษจิตใจมีความทุกข์อีกแล้วหรือเราอยู่ในโลกสั่งให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงหาเพลงนี้ฟังถ้าได้ฟังนะมันก็โยนความสุขให้หน่อยหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังมันก็ลงโทษใจก็มีความทุกข์ขึ้นมา ไปสังเกตใจของเราให้ดีใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาเดี๋ยวอยากเรื่องนั้นเดี๋ยวอยากเรื่องนี้นะหันใหม่ๆก็เห็นแต่อยากหยาบๆแต่พอนานละเอียดขึ้นไปและเราจะเห็นนะความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาฉะั้นจิตใจของเราที่เราว่าเก่งกูเก่งกูเก่งกูนี้มีอิสระกูไม่เชื่อฟังใครที่จริงถูกเจ้านายลึกลับนี้สั่งตลอดเวลาถ้าทําตามก็ได้รางวัล ถ้าไม่ทำตามก็ถูกลงโทษเพราะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะจนวันหนึ่งเราสามารถปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากความอยากทั้งหลายได้มันจะมีแต่ความต้องการที่จำเป็นทางร่างกายนะแต่ความอยากเป็นความหิวของใจเนี่ยจะไม่มีอย่างร่างกายหิวข้าวต้องกินข้าวอันนี้ก็ยังต้องกินอยู่ แต่ใจที่ตะกละอยากกินอันน้นอยากกินอันนี้สภาวะที่ตะกละกับความหิวนี่ไม่เหมือนกันคือความหิวเนี่ยเป็นความต้องการทางร่างกายความตะกละเนี่ยเป็นความต้องการทางใจอย่างหิวต้องการกินอาหารตะกละต้องการกินพิซซ่าต้องการกินมักกะโรนีหรือความง่วงนอน ความง่วงเนี่ยเป็นความต้องการทางร่างกายความขี้เกียจเป็นความต้องการทางใจถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราดีแล้วนะมันจะเหลือแต่ความต้องการทางร่างกายแต่ใจมันเป็นอิสระใจมันเป็นอิสระมันไม่ถูกความอยากซึ่งเป็นเจ้าหนายลึกลับเนี่ยสั่งเราทั้งวันทั้งคืนบางคนนอนไปแล้วนะฝรั่งอาจจะไม่เป็นแต่คนไทยเป็นนอนๆอนแล้วนอนไม่หลับหิว ขับรถเอาเกียวบ้านไปกินข้าวต้มเนี่ยตันหามันสัง่งมันสัง่งหิวแล้วกินอย่างอื่นไม่ได้เลยอยู่ในบ้านไม่มีอะไรกินเลยหรือทำไมจะต้องกินร้านนี้แหละอย่างนี้แหละใจเป็นโลกถ้าเราสามารถมาเรียนรู้ความจริงของใจมาดูจิตดูใจของตัวเองทุกคนดูได้ที่ผ่านมาณาละาเลยที่จะดูแล้วไม่รู้ว่าหลักการปฏิบัต ที่สำคัญเลยในทางาศาสนาพุทธนะั่นคือการรู้ทันตัวเองเรียนรู้ตัวเองเราไปคิดว่ า, าศาสนาพุทธคือนั่งสมาธินะก็สงบอยู่แค่นั้นเองเปลี่ยนจากการนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆมาเรียนรู้ความเป็นจริงของจิตใจตัวเองจิตใจมีความสุขให้รู้ทนันไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้ามีความสุขขึ้นมาแล้วชอบให้รู้ว่าชอบจิตใจมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีความทุกข์ มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ชอบให้รั้วไม่ชอบตรงชอบตรงไม่ชอบนี่แหละมันจะผลักดันให้เกิดความอยากต่อไปถ้าชอบก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้อยู่นานๆถ้าไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปก็เป็นความอยากเหมือนกันล้วเรามาหาัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะเห็นสิ่งนี้ใจชอบรู้ทันเห็นอย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันนะรู้ทันใจของเราเอง ได้ยินเรื่องราวอย่างนี้ชอบรู้ทันได้ยินเรื่องอย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันคอยรู้ทันได้กินอาหารอย่างนี้ชอบก็รู้ทันกินอย่างนี้ไม่ชอบก็รู้ทันรู้ทันใจของตัวเองไปสบายๆนะรู้ไปอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมดาสุดท้ายมันจะเห็นนะว่าความรู้สึกทุกชนิดนะ ที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะแล้วใจเราไปหลงชอบหลงไม่ชอบเนะี่ยความรู้สึกทุกชนิดก็เป็นของชั่วคราวสิ่งที่เราเห็นก็เป็นของชั่วครา ว, ว, วสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นของชั่วคราวรสชาติต่างๆที่เรากินเข้าไปก็สัมผัสลิ้นมีเป็นรสชั่วคราวสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราก็าเป็นของชั่วคราวเรื่องราวที่ใจคิด น, นึกก็เป็นของชั่วคราว ถ้าไปเห็นความจริงอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความยินดีความยินร้ายคือชอบไม่ชอบขึ้นเพราะมันรู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะต้องเกลียดมันเลยมันเป็นของชั่วคราวเมื่อไม่เกลียดมันก็ไม่มีความอยากที่จะหนีมันเราก็เป็นอิสระไม่ถูกความอยากสั่งเพราะความอยากไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะเรารู้ทันอยู่เวลาความสุขเกิดขึ้น ใจมันชอบเราก็มีปัญญารู้ทันว่าความสุขมันก็ของชั่วคราวความชอบของใจก็เป็นของชั่วคราวพอใจมันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวนะความชอบมันจะไม่มีถ้าความชอบมีขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจมันชอบความชอบก็ดับอีกเมื่อใจไม่ได้มีความชอบใจก็จะไม่มีความอยากที่จะได้มาอยากรักษาไว้นะ นี่คือวิธีการที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากความอยากความอยากทางใจนะไม่ใช่ทางร่างกายแล้วเป็นวิธีการที่จะปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงวันใดที่เราปลดปล่อยตัวเองได้เราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นทาตมาตลอดเลยไม่เคยเป็นอิสระที่แท้จริงเลยเพันศาสตร์ของพุทธศาสนาเนี่ย ที่เราฝึกไปแล้วนะั้นเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นหลุดพ้นคือพ้นจากความเป็นทาตของกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองความบริสุทธิ์นั้นอยู่ในใจเองใจซึ่งไม่เป็นทาตแล้วเป็นอิสระสว่างสวัยมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองคนเป็นทาตยังไงก็ไม่มีความสุขนะปลดปล่อยตัวเองได้เมื่อไหร่ก็มีความสุข เ่อราจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะไม่ใช่ตื่นตื่นแค่ว่าทำสมาธิให้สงบศนะาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองคำว่าเรียนรู้ไม่ใช่คิดเอนาแพ้นคนไหนสนใจศาสนาพูทธแล้วก็นั่งคิดวิเคราะห์ใช่เหตุใช่ผลยังไม่ได้เรียนรู้จริงเวลาเราคิดเราก็คิดไปตามข้อมูลเก่าๆที่เราเคยมี คิดอยู่ในกรอบแคบๆคนที่คิดแล้วแหวกกรอบออกไปได้มีไม่มากหรอกแทนที่เราจะมานั่งคิดนะว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงเรามาคอยรู้เอาคอยเห็นความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันเราจะเห็นว่าความรู้สึกต่างๆพอเกิดขึ้นถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะยินดีมันก็จะยินร้ายพยินดียินร้ายก็เกิดอยา่าง เกิดอยากจิตก็ต้องดิ้นรนถูกบังคับให้ทํางานแต่ถ้าความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิตเรารู้ทันว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความยินดีความยินร้ายจะไม่เกิดความอยากก็จะไม่เกิดความดิ้นรนทุกทรมานของจิตก็จะไม่เกิดมันเป็นขั้นๆไปเลยนั่นหน้าที่ของพวกเราที่อยากจะไปรู้จักาศาสนาพุทธอย่างแท้จริง คือการเรียนรู้ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้จิตใจของตัวเองคอยรู้ทันใจใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนตามการมองเห็นเวลาเรามองเห็นสิ่งนี้เรามีความสุขเห็นสิ่งนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนตามการได้ยินได้ยินเรื่องนี้มีความสุขได้ยินเรื่องนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนตามการได้กลิ่นได้กลิ่นอย่างนี้มีความสุขได้กลิ่นอย่างนี้มีความทุกข์ มันเปลี่ยนตามสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนะสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสนี้มีความสุขถ้าอย่างนี้มาสัมผัสมีความทุกข์หรือมันเปลี่ยนตามรสนะเราไปกินอาหารมีรสชาติอย่างนี้มีความสุขได้รสอย่างนี้มีความทุกข์มันเปลี่ยนไปตามการคิดของเราคิดเรื่องราวอย่างนี้มีความสุขคิดเรื่องราวอย่างนี้มีความทุกข์ ใจิตใจของเราจะเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกมีหกช่องทางหกช่องทางที่เราจะเข้าไปสัมผัสสิ่งภายนอกนะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่าไปห้ามการกระทบอย่าไปหนีการกระทบ พวกที่นั่งสมาธินั้นหนีการกระทบอารมณ์มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีร่างกายก็ลืมมันน้อมจิตไปให้ว่างๆอยู่ข้างในไม่ยอมให้คิดด้วยเป็นการหนีการกระทบทั้งหมดเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรได้สงบแค่นั้นเราจะไม่หนีการกระทบมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ห้ามแต่ถ้ากระทบอารมณ์แล้วมีความสุขให้รู้ทัน มีความทุกข์ให้รู้ทันโลภโกรนหลงขึ้นมาให้รู้ทันให้รู้ทันใจของเราใจเราเปลี่ยนทุกคราวที่มีการกระทบงั้นให้กระทบไปนะกระทบอารมณ์ไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจรู้สบายๆอย่าไปจ้องอยู่ที่ใจถ้าไปจ้องรอดูว่าจะเปลี่ยนยังไงเอาละหลับตาแล้วคอยจ้องอยู่ที่ใจว่าลืมตาแล้วพอเห็น รูปอย่างนี้แล้วใจจะรู้สึกยังไงลืมตาเนี่ยถ้าเราจ้องไว้ก่อนนะใจจะเฉยๆฉยอันนี้ผิดธรรมชาติธรรมะแท้จริงเป็นธรรมชาติมากเลยเป็นธรรมดามากเลยนะมีตาเราเห็นเห็นแล้วเราสุขเรารู้เห็นแล้วเราทุกเรารู้เห็นแล้วอยากได้รู้เห็นแล้วเกลียดมันรู้รู้ง่ายๆอย่างนี้เองนะกระทบอารมณ์ไปก่อนเกิดความรู้สึกไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น กระทบอารมณ์ไปก่อนเกิดความรู้สึกไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความสงบความหดหู่อะไรก็ชั่วคราวหมดเลย กระทังสมาธิสงบขึ้นมาก็ชั่วคราวไม่ได้แตกต่างกับความฟุ้งซ่านเลสมาธิสงบได้ก็อย่างฟุ้งได้อีกก็ของชว่วคราวพอจิตมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะหมดความดิ้นรนเลยจะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปนะเมื่อจิตไม่มีความอยากจิตเก็เป็นอิสระสิเพราะความอยากมันเป็นเจ้านายมาบงการจิตให้เป็นทาสมาตลอดชีวิต เราค่อยๆฝึกนะถึงวันหนึ่งเราจะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงได้รับความสงบสุขที่แท้จริงสันติสุขในโลกไม่มีหรอกเสรีภาพในโลกไม่มีนะถ้าเราฝึกของเราแล้วนี่เราจะพบเลยสันติสุขอยู่ตรงนี้เองอิสรภาพที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ใจที่ฉลาดนี่เองเงั้นในขณะนั้นร่างกายเราจะไม่สบาย ใจของเราก็เป็นอิสระจากร่างกายร่างกายเจ็บป่วยใจไม่ทุกร่างกายแก่ใจไม่ทุกนะร่งกากกรงกายจะตายใจไม่ทุกคนที่เราเคยรักตายจากเราไปหรือหนีเราไปใจก็ไม่ทุกนะโลกจะแตกวันนี้ใจก็ไม่ทุกนะถ้าเราฝึกได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ยากเกินไปแต่อยู่ที่เปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ อย่าไปติดอยู่แค่การคิดเอาให้เห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่เป็นอย่าไปน้อมจิตให้ติดอยู่ในความสงบเฉยๆอันนั้นก็เป็นแค่ความปรุงแต่งชนิดหนึ่งมีค่าเท่าๆกับความฟุ้งซ่านนั่นแหละอาต่อไปเป็นเวลาไปกินข้าว่าเชิในกากินข้าว